อาบัตตาธิก่อนอาบัตเป็นอาบัตตาธิกรอาบัตไม่เป็นอธิกรอธิกรไม่เป็นอาบัตเป็นอธิกรด้วยเป็นอาบัตด้วยอาบัตเป็นอาบัตตาธิกรก็มีอาบัตไม่เป็นอธิกรก็มีอธิกรไม่เป็นอาบัตก็มีเป็นอธิกรด้วยเป็นอาบัตด้วยก็มี บรรดาอาทิกกรณนั้นอาบัตเป็นอาปัตตาธิกรเป็นชไหนอาบัตห้ากองเป็นอาปัตตาทิกรบ้างอาบัตเจ็ดกองเป็นอาปัตตาทิกรบ้างนี้ชื่อว่าอาบัตเป็นอาปัตตาทิกรบรรดาอาบัตนั้นอาบัตที่ไม่เป็นอาทิกรเป็นชไหนโสดาบัต สมาบัตินี้ชื่อว่าอาบัต์ไม่เป็นอัธิกรณ์บรรดาอาธิกรณ์นั้นอธิกรณ์ที่ไม่เป็นอาบัต์เป็นฉไนกิจจาธิกรณ์วิวาธาธิกรณ์อนุว า, าทาธิกรณ์นี้ชื่อว่าอัธิกรณ์ไม่เป็นอาบัติบรรดาอาธิกรณ์นั้น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 กิจไม่เป็นอธิกรก็มีอธิกรไม่เป็นกิจก็มีเป็นอธิกรด้วยเป็นกิจ ด, ด้วยก็มีบรรดาอธิกรนั้นกิจเป็นกิจจาธิกรเป็นชะไหนความเป็นหน้าที่ความเป็นกรณีแห่งสงใดคืออภโรกนกกรรมยติกกรรม ยติทุติยกรรมยติจตุถกรรมนี้ชื่อว่ากิจเป็นกิจจาทิก่อนบรรดาอาธิกรนั้นกิจไม่เป็นอธิกรเป็นฉะไหนกิจที่จะต้องทำแก่พระอาจารย์กิจที่จะต้องทำแก่พระ อ, อุปัชากิจที่จะต้องทำแก่ภิกษุผู้เสมออุปัชากิจที่จะต้องทำแก่ภิกษุผู้เสมอพระอาจารย์ นี้ชื่อว่ากิจไม่เป็นอธิกรบรรดาอธิกรณ์นั้นอธิกรไม่เป็นกิจเป็นชไหนวิวาธาธิกรอนุวาธาธิกรณ์อาปัตตาธิกรณ์นี้ชื่อว่าอธิกรไม่เป็นกิจบรรดาอธิกรณ์นั้นอธิกรที่เป็นอธิกรด้วยเป็นกิจด้วยเป็นชไหน กิจจาธิกรเป็นอธิกรด้วยเป็นกิจด้วยอธิกรณะจบ